หมอภัยหมอภัยส่งกันบ้านเป็นไงภาหนาหรู้ตัวไหมช่วงนี้รู้ได้บ่อยไหมอะไรนะดีแล้วรู้ถูกแล้วยมมาจากไหนไมสีนะชเคยฝึกแบบไหนเคยทำกรรมฐานแบบไหนใครสอนให้ล่ะลม ฮนะคุณแม่สิริสอนให้หายใจด้วยอล้อสอนแปลกอ๋อฟองยุบก็ฟองยุบสินะหลวงพ่อเลยงงๆว่าคุณแม่สิริไปสอนอนาปนสติ <c oughs> ดูฟองยุบไปยมดูออกไหมเวลาเราคิดถึงเรื่องปฏิบัติเราชอบกระโจนลงไปเกาะตรงนั้นแหละที่ผิดกันนะ จิต ท, ที่หนักเป็นจิตอกุศลนะจิต ท, ที่เป็นกุศลมันจะเบาจะตื่นรู้สึกตัวดีแล้วรู้สึกได้เยอะล่ะถ้าเราไปตรึงให้นิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นไจรลักษนะจะรู้สึกว่าเที่ยงนิ่งนิ่ ง, บ, งบังคับเรียกว่อาอัตตากิลมัฏฐานุโยคสุดโตกข้างบังคับนะเมื่อสี่ห้าปีก่อนหลวงพ่อก็ไม่ค่อยกล้าพูดเนาะ แ <laughs> ยบแยบเขียนในอินเทอร์เน็ตเออนะนั่แหละดีแล้วฟังไป <c oughs> ตอนนี้คนเข้าใจเยอะขึ้นแต่ก่อนหลงาวงพ่อหวัดเสียวกลัวคนจะ ว, ว่าไปแกล้งว่าคนอื่นความจริงแล้วคำสอนพวกนี้ไม่ใช่คำสอนของหลวงพ่อมันอยู่ในคำภีของเรามี เช่นถ้าไตรปิดกอัตถกถาดีกาอะไรพวกนี้จะมีคาพีพวกนี้อยู่เยอะเลยนี่เราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนเราก็อยากปฏิบัติเราก็ลงมือทำไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ลำบากจะอืดอัดแล้วถ้าอืดอัดหลายๆปีเครียดจัดๆนะเพี้ยนก็มีนะเออดีแล้วเป็นบุญแล้วบางคนต้องนั่งแก้แก้ตั้งหลายปีเนะ่ ที่เป็นมากๆนะเครียดน่ะเอาเบอร์สามสิบสามส่งกันบ้านไปบวชมาหรือแต่ผมทันสมัยแล้วอย่างนี้ฮะบอลโลกเขาต้องตัดส่งนี้ได้หรอตัดส่งรูปฟุตบอลเหร ที่จริงยิ่งยิ่งมีปัญหาทางโลกนะยิ่งต้องรีบรีบขยันดูนะ ส, ส่วนส่วนมากเราไปวุ่นวายเองรึเปล่าเช่นไปดูบอลมันเลิกหรื อ, อยังบอลเนี้ยยังเหรอหน้านี้นะแต่ก่อนแต่ใมก่อนทำงานนะหน้านี้คนจะตาแดงต า, ตารีบรีรีบรี หลวงพ่อสบายอย่างไม่ได้ดูรับเขาี้เจ็ดดูการปฏิบัติไม่ยากอะไรการปฏิบัติเนี่ยต้องรวมอยู่ในชีวิตธรรมดาของเราให้ได้การปฏิบัติไม่ได้ทำตอนไปเข้าคอร์สหรือตอนไปเข้าวัดการปฏิบัติเราทำตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าหากใครยังแบ่งแย ก, กชีวิตของเราเป็นสองส่วนว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติ เวลานี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติถ้าใครยังแบ่งแยกอยู่อย่างนี้นะอะ่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานยังไม่มีโอกาสอก จ, จิตใจส่วนใหญ่ในแต่ละวันแต่ละวันถูกกิเลสลากกาไปหมดงั้นห่างไกลต่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้าใครสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตธรรมดาของเราได้คนนี้ไม่ต้องพูดถึงมรรคผลนิพพานเหมือนกันยังไงก็ได้วันหนึ่งจะต้องได้ นี่พวกเราเองส่วนมากชอบคิดเอาว่าการปฏิบัติจะต้องทำตอนเข้าวัดเข้าคอร์สเราคิดว่าการปฏิบัติคือการทำอะไรที่เหนือธรรมดาไม่ธรรมดาเช่นจะนั่งก็ต้องนั่งไม่ธรรมดาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหายใจจะกินข้าวจะแปลงฟันจะอะไรนะมันเหนือธรรมดาไปหมดนี่เราไม่เข้าใจการปฏิบัติ ถ้าเราแยกอย่างนี้แล้วก็วันว น, วนในกิเลสจะเอาไปเยอะเลยเช่นเราแกล้งเดินให้ช้าๆนี่ปกติเคยเดินธรมธรมดาๆไม่ช้าไม่เร็วนักเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราเดินให้ช้าสุดขีดเลยระวังว่าสติจะตามทันยังไงก็ไม่ทันกว่าจะเดินเก้าหนึ่งกิเลสเกิดไปสิบครั้งแล้วกิเลสไม่ช้าด้วยนะเะั้นจะไปแกล้งทาให้ชา้ากิเลสมันก็ไม่ช้าด้วย หน้าที่เราต้องฝึกสติฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะวิธีฝึกสติให้เร็วขึ้นก็คือฝึกหัดรู้จักสภาวะไปหัดดูจิตดูใจของเราไปจิตใจเราเป็นสุขก็คอยรู้ไว้เป็นทุกข์คอยรู้นะจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลอะไรก็คอยรู้ไปเรื่อยๆต้องรู้บ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆต่อไปสติเกิดเองเกิดเองรู้สึกไหม นี่หลวงพ่อมีพยานเยอะนะในห้องนี้มีเป็นสิบแล้วนี่ว่าสติเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดแต่มันเกิดเองเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุเหตุคือจิตมันจําสภาวะไดเ้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเยอะนะรู้สึกว่ า, า จ, จะเกินสิบด้วยซ้ำไปในนี้เยอะแต่ถ้าเราไปบังคับไม่สติไม่เกิดครับเดี๋ยหลวงพ่อลองสแกนเนื้อ โอ้แถวแรกก็เข้าไปห้าหกคนแล้วนะแถวที่สองก็อีกเยอะเลยไอ้ที่ว่าสิบคนไม่ใช่แล้วนะมีทุกแถวนะจิตมันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาที่จริงการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรถ้ารู้หลักแล้ง่ายไม่รู้หลักแล้วก็ล้มลุกคลุกลานเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องทำอะไร การปฏิบัติจริงๆรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ไปรู้ไปจนมันหนึ่งเห็นเลยไม่มีตัวมีตนอะไรกายนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนจิตใจว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเนี่ยดูไปเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ฝึกเอาดีนะไม่ได้ฝึกเอาความสุขไม่ได้ฝึกเอาความสงบนักปฏิบัติส่วนมากมุ่งเป้าไปที่ว่าทายังไงจิตจะสงบทําไงจิตจะมีความสุขทําไงจะได้ดีเป็นคนดี อันนั้นก็ดีเหมือนกันเป้าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ถึงที่สุดหรอกถ้าอยากเข้าใจธรรมะแทๆ้ๆอย่าไปตั้งเป้าเอาสุขเอาสงบเอาดีเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจต่างเรารู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้พอรู้ความจริงนะใจจะปล่อยวางความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากใจปล่อยวางความพ้นทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการบังคับให้ตัวเองเป็นคนดี เป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีนะอืมแต่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าจงเป็นคนชั่วนะอคนดียังไม่เป็นเลยแล้วจะเป็นคนชั่วได้ยังไงคนที่มันชั่วได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงนะํา่ะของเรากระทั่งกุศลยังครอบงําไม่ได้นักปัสาวาาอะไรกิเลสจะมาครอบงําเราได้ดังั้นต้องฝึกสตินะฝึกให้คอยรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของเรามากมาก จนปัญญากเกิดโอ้กายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยทางหลุดพ้นทางอยู่รอดอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ที่อื่นเลยต้องรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจนี่แหละจนเห็นความจริงของกายของใจแล้วมันปลอ่อ ย, ยปลอยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้คนที่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เขาสมมุติเรียกว่าพระอระหันคนที่เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราคือพระโสดาบัน เงืนกรรมฐานอยู่ที่กลกับใจคอยรู้สึกบ่อยๆถ้าใจลอยไปก็รู้สึกการู้สึกใจไม่ได้ลืมตัวเองรู้สึกไหมเบอร์แปดมาฟังเราลืมตัวเองรู้สึกไหมเบอร์เจ็ดไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเอเนี่ยมันลืมตัวเองทั้งวันนะไม่มีใครเลยที่จะกีดกันจิตใจของเราไว้จากธรรมะนอกจากเราเองเรากีดกันตัวเองออกจากธรรมะนะเราชอบเผลอเลอเลอหลงๆทั้งวัน ใจลอยทั้งวันแอบไปคิดทั้งวันลืมกายลืมใจทั้งวันนะมีแต่ลืมไปตลอดถ้าไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจไม่ได้เรียกว่าทมวิปัสนานะนี้บางคนก็บอกรู้กายรู้ใจก็ไม่ได้รู้จริงอีกไปเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจก็ไม่ใช่วิปัสนานะแต่เป็นสมถะนะอย่างบางคนรู้ลมหายใจแนละ้วจิตจ้องนิ่งนิ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่ให้เคลื่อนไปไหนเลยจ้องนิ่งนิ่งไ นนี้เป็นสมถะบางคนดูท้องพองยุบจิตจ้องอยู่ที่ท้องไม่ให้เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ก็สมถนะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่ที่เท้านี่ก็สมถะรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วไปจ้องมันจ้องเช่นนั่งอยู่ในจ้องมันทั้งตัวเลยจ้องอันนี้ก็แค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาะการเพ่งการจ้องกับการรู้ไม่เหมือนกัน คนละเรื่องเลยนะการเพ่งการจันจ้องมันเริ่มตั้งแต่อยากปฏิบัติอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติลงมือทาอะไรบางอย่างสิ่งที่ทำไม่มีอะไรมากกว่าการจ้องเอาไว้คอยจ้องคอยบังคับตัวเองเบอร์แปดนะแอบไปคิดแล้วรู้ไหมไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดรอรืรู้ไหมเห็นไหมตอนที่ไปคิดจะลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหมฉะนั้นเวลาที่เราหลงไปในโลกของความคิดเราจะลืมกายลืมใจ เวลาเราเพ่งไว้เราจะรู้กายรู้ใจไม่ตรงความเป็นจริงมิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าใจลอยไปเผลอไปคิดรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเพ่งไว้กายกับใจนิ่งผิดความเป็นจริงไม่แสดงไตรลักษณ์คุณกบดีนะคุณกบภาวนาดีล้วองค์ก็ใช้ได้ดีล้วทาไมคนเก่งๆมานั่งเรียนแถวอยู่ตรงนี้ เนึ่งแถวหลายคนเลยนะเว้นเสื้อเขียวนี่ไว้คนหนึ่งเสื้อเขียวนี้ยังคิดมากคิดมากคิดมากยากนานอยากคิดเยอะเป็นกรรมฐานนง่ายๆเช่นคนมาชมเราใจเราพองเลยเคยรู้สึกไหมเวลาคนชมในะใจมันพองเลยรู้ว่าพองคนทั่วไปพอถูกเขาชมใจพองนะจะรู้ว่าเขาชมว่าอะไรแล้วรอว่าเขาจะชมเพิ่มอีกไหม ขนะนะนะองเรานักปฏิบัติเราชมนะใจก็พองเหมือนกันนะไม่ใช่จะต้องแกล้งทำนะเชิญชมนะอย่างนี้ใจไม่พองใจเฉยๆนะอย่างนี้แกล้งทำนะหรือ บ, บางคนเขาด่ารู้สึกไหมเวลาคนเขาว่าเราใจเราเดือดฝุดฝุดฝุดขึ้นมาไหมง่ายๆดูแค่นี้แหละใจมันเดือดรู้ว่ามันเดือดแต่กี้มันไม่เดือดตอนนี้มันเดือดแล้วนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยง ะไปดูไปจะห้ามไม่ให้เดือดก็ไม่ได้เนี่ยใจเป็นกล่องบังคับไม่ได้ดูง่ายๆอย่างนี้แหละแต่ถ้าบางคนทําไม่เป็นก็จะจ้องไว้อีกแบบเดียวกันนะะจ้องไวอย่างนี้ใครด่าก็เฉยนะใครจะด่าหลวงพ่อเชิญนะตอนนี้ถ้าหลวงพ่อถอยออกจากตรงนี้ห้ามด่านะเห๋ยวได้ชคกันบ้างเนี่ยสิ่งที่ผิดมันจะมีสองอันลืมตัวไปนะกับังคับเอาไว้จ้องไว้ อาจ้างไว้เนี่ยคนชมก็เฉยคนด่าก็เฉยนึกว่าดีไม่ดีหรอก <S <S ทางที่ดีก็คือถูกเขาชมใจมันพองขึ้นมาก็เห็นใจไม่เที่ยงนะแต่กี้ไม่พองตอนนี้พองถูกเขาด่าใจมันเดือดขึ้นมาก็เห็นเออแต่กี้ไม่เดือดตอนนี้เดือดละนี่ใจไม่เที่ยงะงั้นเราที่เราคอยรู้กายรู้ใจเพื่อจะได้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้วัตถุประสงค์ต้องการตรงนี้ ไม่ได้ต้องการสุขความสงบความดีนะสิ่งเหล่านั้นเป็นผลปลอยได้ถ้าใจของเรารู้ตื่นขึ้นมาจิตจะมีความสุขจิตจะมีความสงบจิตจะมีคุณงามความดีมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นลําดับลําดับแค่มีสติตัวเดียวนี่แหละไอ้ดีๆทั้งหลายตามมาเองแต่ตรงที่พยายามจะเป็นคนดีนะั่นเหนื่อยนะรู้สึกไหมชอบเบอร์แปดชอบเป็นคนดีรู้สึกไม่เหนื่อยนะเป็นคนดีมันเหนื่อยนะ แต่ต้องต่อยนิดหนึ่งหลวงพ่อไม่ได้สอนให้เป็นคนชั่วนะอืเดี๋ยว่าคนจะเจ้าเล่ยหลวงพ่อบอกไม่ต้องเป็นคนดีเพราะงั้นให้ชั่วได้ไม่ใช่เวลาสอนกรรมฐานกับคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องระมัดระวังชอบบิดเบือนธรรมะหลายคนนะที่บิดเบือนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเป็นรุ่นพี่หลวงพ่อรุ่นพี่แต่ถึงเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นก่อนหลวงพ่อ ท่านชอบให้ลูกศิษย์เดินจงกรมเดินทั้งวันเดินทั้งคืนน ะ, ะกลางวันเนี่ยตื่นเช้าตีหนึ่งครึ่งไม่เรียกตื่นเช้า เ, เรียกว่าตื่นดึกนะตื่นตีหนึ่งครึ่งนอนห้าทุ่มเวลาที่เหลือนอกากเวลานั่งทำทูล่าอะไรแล้วเวลาที่เหลือไว้เดินเออนะเราไม่ต้องเ อ, อ่ยชื่อท่านเรากำลังนินทาเข้า ใ, ใจไหมเราต้องไม่สร้างหลักฐานนะ เนี่ยท่านให้ลูกศิษย์เดินทั้งวันทั้งคืนนะลูกศิษย์เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็เริ่มเจ้าเล่ห์นะแอบมาถามหลวงพ่อนะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมังการหลายคนเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมาถามทุกวันเลยการปฏิบัติเนี่ยทำได้ทุกอิริยาบถใช่ไหมคะต้องทําทุกอิริยาบถใช่ไหมคะหรือต้องทําในทุกอิริยาบถใช่ไหมครับเนี่ยเขใช่อสี่ใช่ไหมใหม่ๆหลวงพ่อก็ตอบนะตอนหลังชักสงสัยทําไมมันมาถามเหมือนๆกันเยอะนะ ลองคิดคิดพิจารณาดูอ๋อมันเจ้าเล่หนะ์เสร็จแล้วจะรีบกลับไปบอกนะครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อบนหลวงพ่อประโมทบอกว่าหนะลวงพ่อประโมทบอกว่าไม่ต้องเดินทั้งวันก็ได้ต้องทำทุกข์อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนขนะี้เกียจขี้เกียจแล้วเอาคำของครูบาอาจารย์องคหนึ่งนะไปบิดเบือนไปใส่อีกเรื่องหนึ่ง งั้นเวลาอธิบายธรรมะต้องระวังมากบอกว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อเป็นคนดีนะเดี๋ยวจะบอกงั้นเราทําชั่วได้บอกอย่าจงใจปฏิบัตินะเอะไรอีกงั้นก็ขี้เกียจได้ะคนละเรื่องกันเลยนะจงใจไม่จงใจกับขี้เกียจเนี่ยคนละเรื่องเลยนะต้องขยันปฏิบัตินะแต่ไม่ได้จงใจปฏิบัติขยันมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆต้องขยันรู้บ่อยๆ แต่ไม่ใช่อยู่ๆก็คิดถึงปฏิบัติก็วางฟอ ร, รม์มจ้องเอาจ้องเอาเหมือนจะกัดกิเลสให้ตายนะมันจะตายก่อนกิเลสทุกรายแหละเพราะกิเลสไม่ตายไอ้พวกไล่กัดกิเลสนะันไม่มีทางชนะหรอกแต่ถ้ารู้สิกกิเลสเกิดเพราะอะไรกิเลสเกิดตอนขาดสติถ้ามีสติอยู่กิเลสไม่มีถ้ากิเลสเนี่ยมันมีพื้นฐานมารากเง่าของมันคืออนุสัยนี่ อนุใสเนี่ยนะถ้าเราทําตามใจกิเลสบ่อยๆกิเลสจะยิ่งพอกผูนถ้าเรามีสติไว้อนุใสจะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปดังน้วเรามีสติมากๆอนุสัยเหยี่ยวแห้งนิสัยที่ไม่ดีอ่ะมันค่อยๆเหี่ยวแห้งไปกลายเป็นนิสัยดีๆตีีหลังกิเลสก็จะเกิดน้อยลงน้อยลงนะจนวันหนึ่งไม่มีกิเลสฟังไปเรื่อยๆนะไม่ต้องซีเรียสฟังหลวงพ่อพูดนะ่ะไม่ต้องจับต้นชนปลายนะฟัหลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆหลวงพ่อพูดตามใจชอบ เพรหลวงพ่อไม่ได้เชิญให้มาฟังนะมาเองเองั้นหลวงพ่ออยากพูดอะไรหลวงพ่อก็พูดอะไนั้นแหละฟังรู้เรื่องก็เรื่องของโยมฟังไม่รู้เรื่องก็เรื่องของโยมแต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องทํำยังไงดีนี่บอกเคล็ดลับฟังไม่รู้เรื่องรู้ว่างงงงรู้ว่างงนี่สงสัยฟังแล้วสงสัยโอ้หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลยสงสัยยังไงรู้ว่าสงสัย ใครงงรู้ว่างงใครสงสัยรู้ว่าสงสัยนี่แหละจะเข้าใจคําสอนของหลวงพ่อก็คือการที่เราฝึกรู้ตัวเองนั่นเองรู้ใจของเราเองใจเราสงสัยขึ้นมาก็รู้ใจมันงงก็รู้นะรู้สึกไหมธรรมะตอนนี้กับเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดคนละ แ, แบบคนละแบบคนละเวอร์ชัน่นรู้สึกไหมอ่าตอนนี้ทําไมต้องพูดให้มันคึกคักหน่อยเพราะพวกเรามันง่วงนะกินข้าวมาแล้วชักซึมๆเลยต้องให้คึกคักหน่อยแล้วอีกอย่างวันนี้เด็กเยอะ ถ้าพูดแบบซึมๆนะเดี๋ยวเด็กแกวโยเยร้องไห้รู้สึกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดใจก็เริ่มนิ่งๆแล้วเริ่มซึมๆแล้วรู้สึกไหมนะหัดรู้ไปอย่างนี้นะง่ายๆหัดรู้ไปใจมันซึมก็รู้ใจมันร่าเริงเบิกบานก็รู้ใจมันสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้รู้ไปเรื่อยๆนะใจของเราเปลี่ยนทั้งวันทั้งคืนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราก็ตามรู้ไปเรื่อยๆ เมื่อก่อนเขามีเพลงอะไรนะเดินไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยตอนหลังมันจะเป็นเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยใช่ไหมอันนั้นมันโฆษณาชวนเชื่อเดินเรื่อยๆก็เมื่อยเลย <c oughs> เราดูไปเรื่อยๆนะถ้าเราดูแบบไม่หวังผลเราจะไม่เหนื่อยถ้าเราดูแบบหวังผลมันจะเหนื่อยนะการดูกายดูใจเนี่ย ดูไปเล่นๆไม่ต้องจริงจังเนี่ยพูดอย่างนี้ก็ต้องแปลอีกไม่จริงจังไม่ได้แปลว่าให้ขี้เกียจนะต้องระวังมากเลยในการพูดดูเล่นๆดูไปเรื่อยๆดูบ่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงดูเหมือนดูคนอื่นนะดูร่างกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวดูร่างกายนี้นั่งเหมือนเราเห็นคนอื่นนั่งดูร่างกายนี้เดินเหมือนเราเห็นคนอื่นเดินดูร่างกายนี้หัวเราะ เหมือนเห็นคนอื่นหัวเราะอยู่ดูอย่างนี้นะดูเหมือนดูคนอื่นดูจิตดูใจก็เหมือนดูคนอื่นดูเล่นๆจิตใจเราเหมือนเด็กโยเยคนหนึ่งนะเดี๋ยวเด็กคนนี้หัวเราะเดี๋ยวเด็กคนนี้ร้องไห้เดี๋ยวเด็กคนนี้ก็โกรธอย่าเงี้ยเดี๋ยวเด็กคนนี้ก็โลภอยากได้นวนนี่เนี่ยเราดูใจเราเหมือนเราดูเด็กคนหนึ่งดูกายเราก็เหมือนดูคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเราดูจิตใจก็เหมือนดูคนอื่นดูกายเหมือนดูคนอื่น อากดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเราจะเห็นความจริงร่างกายนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลาเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวเหลียวซ้ายแลกขวาเดี๋ยวคู่เดี๋ยวเหยียดนี่ร่างกายนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งร่างกายมีความทุกข์บ like ีบคั้นตลอดเวลานั่งก็เมื่อยเดินก็เมื่อยยืนก็เมื่อยนอนก็เมื่อยนะนอนต้องนอนพลิกไปพลิกมาร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไหมไอ้นี่ก็เป็นก้อนธาตุก้อนหนึ่งมีธาตุไหลเข้าไปมีธาตุไหลออกมานี่ธาตุไหลนะธาตุไหลเข้าไหลออกอาจารย์วิวัตรท่านมาเล่าเราไม่อยู่เลยรู้สึกไหมใจวอกแวกฝึกอย่างนี้นะฝึกในชีวิตจริงๆนะอย่าฝึกแบบธรรมะจัดฉากนะธรรมะจัดฉาก จะเดินก็ต้องเดินจัดฉากจะนั่งก็จัดฉากนะปกติในชีวิตธรรมดานะพวกที่มาใหม่ๆนะเอานิมนต์ครับท่านอาจารย์ น, นิมนต์ท่านอาจารย์นั่งก่อนนะครับผมเขาโอกาสพูดกระยมต่อไปเลยนะครับท่านอาจารย์ท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะพระผู้น้อยเนี่ยเวลาพระผู้ใหญ่มานะพระผู้น้อยเทศไม่ได้นะอจนกว่าพระผู้ใหญ่ท่านจะอนุญาตเนี่หลวงพ่อต้องรีบขออนุญาตก่อนไม่งั้นหลวงพ่ออาบัต ท่านอาจารย์วิวัฒน์อาจารย์วิวัฒน์อยู่วัดสมสมนัตรู้สึกไหมจิตใจวอกแวกไปดูคนอื่นลืมตัวเองรู้สึกยังเนี่ยฝึกไปอย่างเนี้ยใจมันห น, ไนีไปรู้สึกหนีไปรู้สึกอย่าบังคับเบอร์เนี้ติดบังคับนะเบอร์แปดใช่ไหมยังชอบบังคับอยู่เบอร์เจนะ็ดน่ะใจลอยแล้วรู้สึกไหมกลับข้างกัน ไปดูเขาเวลาไปดูเขาลืมตัวเองเวลาไปฟังฟังอาน ร, รมาพูดลืมตัวเองนั่งคนเดียวไปคิดรู้เรื่องที่คิดลืมตัวเองเนี่ยลืมตัวเองแล้วหนีไปคิดอะไรนะก็เพราะเราอยากปฏิบัติสิแล้วเราเคยชินแล้วติดเราฝึกไว้ยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเราฝึกเพ่งเราก็เพ่งเก่ง เคยชินที่จะเพ่งไม่ต้องแก้มีเคล็ดลับด้วยนะอย่าไปแก้มันนั่งดูไปตอนนั้นหายโมโหยังเดินไปสามเก้าแล้วยังไม่หายรู้ว่าโมโหใช้ได้ใช้ได้แล้วไม่ต้องเดินสามเก้าก็ได้โมโหมันหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ทันหายโมโหรู้ว่าโมโหอยู่ใช้ได้ อ, อืมอืมเออไอ้อา ต, อ ต, อตมาไม่ได้สอนว่าไม่ให้โมโหนะเออไม่คิดไม่มีคําว่าน่าจะรู้เท่าที่รู้ได้เนอะไม่ใช่น่าจะถ้าน่าจะได้แล้วเราก็น่าจะบรรลุพระอรหันต์กันหมดละมันไม่มีคําว่าน่าจะมันรู้เท่าที่เป็นสามเก้าแล้วรู้อ่าดีแล้ว นะ ถ, ถ้าก้าวที่สี่มือฉาดอย่างนี้อันนี้ช้าไปนิดหนึ่งนะดีแล้วดีแล้วแสดงว่าพัฒน า, นะาเราฝึกอย่างนี้นะสมมุติว่าชาตินี้เราไม่บรรลุอะไรเลยนะมันติดนิสัยไปชาติหน้าชาติต่อไปจะฝึกง่ายนะเคยมีคนกนหนึ่งนะเล่าให้หลวงพ่อฟังตอนเด็กๆ เ, นะเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นไฟไหม ข้าง้างบ้านบ้านเป็นตึกแถวห่างไปสี่ห้าห้องเห็นไฟไหม้นะตกใจลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อพอวิ่งไปสามเก้านะไปเห็นความตกใจเหมือนที่โยมเดินสามเก้าแล้วเห็นความตกใจแต่นี้วิ่งเพราะงั้นวิ่งนี้ใช้เวลาน้อยกว่านิดนึง <c oughs> แล้ววิ่งไปสามเก้าเห็นความตกใจนะความตกใจขาดตรงนั้นเลยแล้วเห็นความโกรธความโกรธขาดไหมใช่มันขาดเลยนะจิตใจเบิกบานผองใสได้บุญเลย แ, แทนที่จะได้บาปได้บุญไปล้วดีแล้วดีแล้วเราไปค่อยๆดูไปไม่จําเป็นว่าจะต้องหนึ่งเก้านะทันไม่ได้ทันไม่ได้ฟังให้ดีนะห้ามทันต้องตามรู้ตามรู้จิตห้ามทันนะทันไม่ได้แล้วอย่างเวลาจิตมีโทสังจิตมีโทสังเป็นอกุศลไม่มีสติหรอกไ ม, มีสติไม่ได้ แต่ว่าพอมันมีโทสะแล้วก็เกิดระลึกได้ว่ามีโทสะสติเกิดแล้วโทสะจะดับสติกับโทสะไม่เกิดด้วยกันเก่ง mm. นี่ทีหลังไปแอบบอกคนใช้ให้ให้มาชา้าช้าเอาโยงคนไหนไม่เคยมาบ้างมีไหมโอ้แล้วเคยฝึกกันมาแบบไหนล่ะ มาเยอะแยะอย่างนี้นะหลวงพ่อจะพูดได้ไง่ายหลวงพ่อก็ต้องพูดแบบเหมาเหมาเอานะสอนที่ละคนไม่ไหวไม่ทันแต่หลักการปฏิบัติจริงๆไม่ยากข้อที่หนึ่งนะถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองนี่ข้อที่หนึ่งพวกเราต้องจําไว้ก่อนการรู้กายรู้ใจของเราเนี่ยสิ่งที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้มีสองอย่างอันนึงเราเผลอไปเราใจลอยไป เราเผลอไปดูอย่างเมื่อกี้เห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองเราเผลอไปฟังอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเราจะลืมตัวเราเอง น, นั่งอยู่ก็ไม่รู้จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่รู้เนี่ยเราจะลืมตัวเราเองเราไปคิดอยู่เราก็ไม่รู้รจะลืมตัวเองเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราจะลืมกายลืมใจตัวเองอันนี้ฝากให้ไปดูนะฝากให้ไปดูอันที่สองคือการนั่งเพ่งเอาไว้นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะหลวงพ่อไม่อยากพูดว่าร้อยละร้อย เกือบร้อยละร้อยเนี่ยเวลาคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยจะบังคับกายบังคับใจตัวเองจะสุดโตมาข้างบังคับคือการเพ่งเอาไว้กําหนดเอาไว้ควบคุมเอาไว้การกําหนดเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญในยุคนี้นะในพระไตรปิฎกไม่เคยแปลสติว่ากําหนดสติในพระไตรปิฎกแปลว่าความระลึกได้กําหนดเนี่ยอธกถาท่านมาขยายความให้ฟังว่ามันเบื้องหลังการกําหนดเนี่ยคือตันหา อยากปฏิบัติก็ลงมือกําหนดดังนั้นการกําหนดนี่ไม่ใช่ตัวสติหรอกนะคือตัวโลภะเจตนานะเป็นตัวกิเลสนะดนั้นเราลงมือกําหนดเมื่อไหร่ใจจะแข็งแ็งทื่อๆเราจะคอยไปจอ้องเอาไว้ใจเราจะนิ่งๆใจเป็นการเพ่งการจ้องนะนิ่งๆไปงั้นะสติไม่ได้กําหนดนะการกําหนดมันเป็นจุดตั้งต้นให้เกิดการเพ่งการจ้องการบังคับตัวเองใจเราจะแน่นๆขึ้นมาแข็งแข็ง อึดอัด น, นะร่างกายแข็งแข็งจิตใจแข็งแขนะ็งนี่ศัตรูของการปฏิบัติที่เราจะรู้กายรู้ใจมีสองตัวตัวหนึ่งเผลอไปใจลอยไปตัวหนึ่งกาหนดไว้เพ่งไว้บังคับไว้ควบคุมไวนะ้ตัวแรกพระพุทธเจ้าเรียกว่ากามสุขันริการุโยคนะตัวหลังเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยคนะตัวแรกที่เราตามใจกิเลสหลงลืมเนื้อลืมตัวไปนะ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอาปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วการที่เราคอยควบคุมบังคับตัวเองที่เรื่องอัตตากิลมัทฐานุโยกนะั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่าปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีความปรุงแต่งฝ่ายดีก็ทำให้เราเป็นคนดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับการบรรลุมรรคผลนิพพานเลยครูเจ้าไม่ได้สอนให้เราปรุงแต่งฝ่ายดี การจะสอนท่านสอนเหมือนกันสอนให้มีทานมีศีลมีอะไรเงี้ยปรุงแต่งฝ่ายดีอันนั้นสําหรับธรรมะ ส, สาหรับชาวโลกแต่สําหรับคนที่ต้องการข้ามโลกข้ามภพข้ามชาติท่านสอนอีกอันหนึ่งท่านบอกว่าอาวิชาปัจจยาสังขาราอาวิชาเป็นตัดใจให้เกิดความปรุงแต่งฝ่ายดีด้วยฝ่ายชั่วด้วยรากเหง้าของความปรุงแต่งทั้งดีและชั่วคืออาวิชานะคือตัวเดียวกันอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจ เราไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ทุก <Rainbow Mercy. S 1> คือเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เราคิด <Ahh> ว <Beatles> ่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเราก็อยากให้กายนี้ใจนี้มันมีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกนี่เพื่อเราจะได้มีความสุขคนโง่ก็แสวงหาความสุขด้วยความปรุงแต่งฝ่ายชั่วคิดว่าได้สนองกิเลสแล้วก็จะมีความสุข ส่วนคนดีคนฉลาดขึ้นมาหน่อยก็ควบคุมตัวเองคิดว่าบังคับกายบังคับใจไว้ได้แล้วจะมีความสุขปรุงแต่งฝ่ายดีจริงๆก็เพื่อเพื่ อ, อต้องการให้ตัวเรามีความสุขเช่นเดียวกับพวกที่ปรุงแต่งฝ่ายชั่วนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรามานั่งปรุงแต่งซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบรูปลุบคลําลอ้อมอ้ไปเรื่อยๆท่านสอนให้เราเข้ามาเผชิญหน้าท่านสอนให้เรารู้ทุกทุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่กายอยู่ที่ใจให้เข้ามารู้มัน นะไม่ใช่เพื่อให้มันสุกไม่ใช่เพื่อให้มันดีนะแต่เพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงของมันว่ามันไม่ใช่ตัวดนะีมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสมบัติของโลกที่ยืมเข้ามาใช้ชั่วคราวพอเราหมดความยึดถือในตัวเองหมดความรักในตัวเองแล้วเนี่ยความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งดีและชั่วจะดับไปโดยอัตโนมัตนะิท่านถึงสอนบอกว่าอาวิชายตเววะอเสสาวิราคานิโรธาสังขารานิโรโทพูดยาวนะ บอกว่าเพราะความดับไม่เหลือความสำรอกความดับสนิทของอวิชชาเนี่ยทําให้ความปรุงแต่งดับเพราะความปรุงแต่งดับเนี่ยนะตัณหาอุปาทานภพชาติทุกทั้งหลายจะดับตามไปดังนั้นรากเง่าของปัญหาก็คืออวิชชานี่เองเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราไม่มีเราคิดว่าเรามีจริงๆเราคิดว่าเรามีจริงๆริงเราก็เลยอยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์พออยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์เห็นไหมมีตัณหามันอยากขึ้นมาล้ว มันก็เกิดการดินน้นรนปรุงแต่งฝ่ายดีบ้างฝ่ายชั่วบ้างนะอย่างแมวเนี่ยมันไปจับนกทำไมมันไปจับนกมันคิดว่าถ้ามันได้กินนกแล้วมันจะมีความสุขเนีนะ่หรือว่าพวกเราไปดูบอลถามว่าดูทาไมดูเพื่อหาความสุขนะเนี่ยเป็นวิธีหาความสุขอย่างชาวโลกหารูปที่ดีหาเสียงที่เพราะหากลิ่นที่หอมหารสที่อร่อยหาสัมผัสที่ดีๆนะ อาบน้ำเองไม่ได้ต้องให้คนอาบให้อะไรเงี้ยสัมผัสแล้วบอกมีความสุก น, นี่คนแสวงหาความสุขด้วยการหาสัมผัสอันนี้เรียกว่ากามสุขาริการุโยกเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายชั่วลึกๆ ก, ก็คือเพื่อหาความสุขพวกที่อุตส่าห์เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เพื่ออะไรหวังว่าวันนึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานจิตใจจะมีความสุขเห็นไหมอยากได้ความสุขอีกนั่นแหละเพราะฉนั้นมัวแต่หาความสุขมันเลยไม่เจอความสุขสักที มาค่อยรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจนี่หมดความรักกายรักใจหมดความยึดกายยึดใจเมื่อไหร่จะพบความสุขทันทีเลยสุขอย่างไม่มีอะไรเปรียบนะสุขจนน้าตาร่วงเลยนะสุขแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยเรจะรู้เลยความสุขในโลกที่เคยว่าวิเศษวิสวร์นะพูดห ย, ยาบๆนะขี้ๆทั้งนั้นเลยกระจอกงอกง่อยถ้าเรารู้จักความสุขกับการปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจนะจนวางจิตวางใจลงไปได้ นี่พระพุทธเจ้าสอนเส้นทางนี้ไว้นะให้เรารู้ทุกตอนอริยสัจให้รู้ทุกพุกคือกายกับใจของเรารู้ลงไปพวกเราไม่มีใครยอมรู้ทุกพวกเราอยากละทุกขท่านบอกให้รู้ทุกเราอยากละทุกเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะอท่านบอกให้ละตัณหาก็เราอยากมีความสุขเราอยากพ้นทุกข์อะขอมีความอยากไว้หน่อยไม่ได้หรือเห็นไหมท่านบอกให้ละอยากนะก็ยังจะอยากขออยากต่อไปนี่ไม่ได้ทําอะไรตรงที่พระพุทธเจ้าสอนเลย แล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างคาว่ารู้ทุกข์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทุกข์คืออะไรท่านบอกเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อันนี้ก็เรื่องธรรมดาธรรมดานะความไม่สมปรารถนาการเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยนก็เป็นทุกข์การได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นี่ยแจกแจงไว้เยอะแยะแต่สุดท้ายท่านสรุปดอกสังคีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุป โดยภาพรวมแล้วเนี่ยขันเป็นตัวทุกขันห้าคือกายกับใจของเรานี้เป็นตัวทุกข์เราอ่านธรรมะเราสวดมนต์นะเราก็นึกว่าเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจหรอกในโลกนี้ไม่มีใครเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ในโลกนี้ไม่มีใครเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ไม่มีใครเห็นว่าใจนี้เป็นทุกข์เราเห็นยังไงเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมยอมรับความจริงอันนี้ไหม จริงๆเรารู้สึกว่ากายอเป็นทุกข์ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนี่ความจริงเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ทํายังไงเราจะเห็นว่ากายเป็นทุกข์ร้วนๆใจเป็นทุกข์ล้วนๆอันนี้แหละเราต้องมาเจริญวิปัสสนาล่ะวิปนะัสสนาเนี่ยเรามาคอยรู้อยู่ที่กายง่ายๆนะวิธีกรรมฐานง่ายๆอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งให้มันสบายนะเดี๋ยวๆความทุกข์ก็ตามทันลนะโอ้นั่งอยู่ก็เมื่อยนะเมื่อยก็เราก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบทแก้เมื่อย เปล่ยนประเดี๋ยวเี๋ยวเมื่ออีกแล้วก็วต้องขยับใหม่เปลี่ยนอิริยาบถอีกแล้วรวมความแล้วขยับทั้งวันนะกระทั่งตอนนอนคนทั่วๆไปนอนเนี่ยคืนหนึ่งจะพลิกสี่สิบหรือห้าสิบครั้งพลิกไปพลิกมาเพราะอะไรเพราะมันทุกข์กายมันเป็นทุกข์ลเลยต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถนี่ถ้าเรารู้อิริยาบถสี่ตามรู้กายที่ยืนเดินนั่งนอนเราจะเห็นเลยมันมีความทุกข์บิบคันอยู่ทุกๆอิริยาบถไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแล้วนะ กลาเป็นมีความทุกข์ยืนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ถ้าใครกําหนดลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเจริญสติเป็นจะเห็นเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราหายใจเพื่อแก้ทุกข์นะเคยนึกไหมหายใจมาตั้งแต่เกิดลืมไปว่าหายใจทําไมจริงเราหายใจแก้ทุกข์ถ้าไม่ได้หายใจจะเป็นทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็จะทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกละ งั้นเราหายใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะแก้ทุกข์ความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ลงมาดูสิมันทุกข์จริงๆนะกายนี่มันทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เป็นทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองแล้ววันวันหนึ่งหน้าอิดนาราใจนั้นเหน็ดเหนื่อยที่สุดเลยก็จะมานั่งแก้ทุกข์เป็นคราวคลาวไปแล้วก็แก้ไม่ได้จริงเดี๋ยวก็ทุกอีกละการมาดูจิตดูใจี่ดูจิตดูใจจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์นี่ยากที่สุดเลยเราจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ ถ้าจิตได้รับาอารมณ์ที่ดีก็เป็นสุขจิตได้เจอของไม่ดีก็เป็นทุกข์เอเบื้องต้นดูใช่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นี่ดูยากดูว่ามันไม่เที่ยงไปก่อนหเห็นว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูไปเรื่อยๆนะเห็นมันเป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้นี่พอบังคับมันไม่ได้นะจิตใจมีสติมีปัญญาแก่กล้านะมันจะค่อยๆปล่อยวางปล่อยวา ง, วางความยึดถืออารมณ์ต่างๆจะทวนกระแสะเข้ามาจนถึงตัวธาตุรู้ตัวจิตผู้รู้ของเรา ถ้าทวนกระแสเข้ามาจนถึงจิตผู้รู้แล้วนี่มันเป็นภูมิของพระนาคามีเข้ามาถึงตรงนี้แล้วถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆนจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไม่มีตัวอื่นเป็นทุกข์เท่าตัวจิตนี้เลยถ้าเห็นอย่างนี้มันจะสลัดจิตทิ้งและปล่อยวางความยึดถือจิตได้พอปล่อยวางความยึดถือจิตได้แล้วจะพบว่าสันติสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองตรงที่หมดภาระนี่แหละ แล้วเราก็ดูไปตามลำดับนะดูไปเรื่อยๆดูกายดูใจดูกายดูใจไปเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นพูมิเห็นมันเป็นอนัตตาดูไปเท่าที่ดูได้แต่ดูบ่อยๆพอปัญญาแก่รอบมันจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกายนี้ไม่ยึดถือง่ายเพราะคนทั้งหลายมองเห็นอยู่ร่างกายนี้มันวันหนึ่งมันก็ตายแต่เราจะรู้สึกจิตของเราเป็นอมตะ ร, ร่างกายตายแล้วจิตไปเกิดใหม่อีกจะเห็นว่าเป็นอมตะ แต่ถ้ามาเจริญสติดูจิตจะเห็นว่าจิตเกิดดับจันตูรู้สึกไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องเล็กช่องว่างเล็กๆมาคันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยจิตเกิดดับนะไม่ใช่มีดวงเดียวฝึกไปเรื่อยๆเห็นเห็นโอ้จิตเกิดดับตลอดเวลาจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่มีดวงเดียวแต่เกิดดับสืมเนื่องไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่อัตตาดูเยเรื่อย ดูจนกระทั่งวันหนึ่งมันเห็นเลยกายนี้ใจนี้ไม่น่ายึดถือไปนะมันปล่อยวางอย่างกายเนี้ยดูง่ายปล่อยง่ายคนเวลาเจ็บหนัหนกๆใกล้จะตายแล้วทรมานนะอยากตายนะอยากตายตายให้พ้นทรมานไปเนะี่ยยอมแล้วยอมทิ้งกายแล้วเขาเห็นว่ากายมันทุกข์แต่ไม่มีใครเห็นว่าจิตเป็นทุกข์หรอกจิตเป็นทุกข์นี่ดูยากที่สุดต้องดูนานดูแล้วดูอีกดูกันเป็นปีๆนะ อา้าวคุณหมูเป็นไงคุณหมูอะไรนะก็ใจไม่ยอมตื่นนะเอาเดี๋ยวหลวงพ่อแถมให้หน่อยนะพวกที่มาใหม่ๆนะเคยฝึกกรรมฐานอะไรนะถ้าเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราฝึกต่อไปได้ไม่ต้องเลิกนะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องฝึกอย่างเดียวกันทางใครทางมันมันเดินได้หมดแหละถ้ารู้หลัก คนไหนเคยฝึกหายใจเข้าหายใจออกก็หายใจไปแต่ว่าหายใจเพื่อหัดสังเกตสภาวะหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดกุศลอกุศลคอยรู้เรื่อยๆต่อไปเราจะดูจิตเก่งคนไหนเคยดูท้องพองยุบก็ดูต่อไปนะแต่ดูท้องพองยุบไม่ใช่ไปเพ่งไว้ที่ท้องนะถ้าเพ่งไว้ที่ท้องก็เป็นสมถนะดูลมหายใจแล้วเพ่งลมหายใจก็เป็นสมถนะถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วใจเราหนีไปคิดเราก็รู้ ใจเราไปเพ่งไว้ที่ท้องก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นกุศลอนะกุศลเราก็ค่อยรู้ฝึกเรื่อยๆในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะเยอะแยะเลยหลงไปเราก็รู้จักเพ่งเอาไว้เราก็รู้จักเป็นสุขเราก็รู้เป็นทุกข์เราก็รู้จักนะเป็นกุศลเป็นโลคโกรธหลงอะไรเราก็รู้จักพอจิตมันรู้จักสภาวะแล้วเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ สภาวะที่จิตรู้จักแล้วเกิดขึ้นเช่นเรานั่งนั่งอยู่เกิดใจลอยแวบไปเนี่ยสติจะเกิดเองรู้เลยว่าใจลอยไปแล้วใช่ไหมคุณกบไงไม่โอ่งเห็นไหมไงไม่คุณนุ่นชื่อไรมีหนวดด้วยห<ม>ลวงพ่อมีพยานเยอะนะแต่ก่อนหลวงพ่อพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าเลยนะพูดแล้วไม่ค่อยมีคนเชื่อง่ายๆหรอกแต่เดี๋ยวนี้สบายมากหลวงพ่อมีพยานเยอะแยะเลยมีพยานเป็นร้อยๆอ่ะนะสติต้องเกิดเอง แล้วฝึกไปนะฝึกไปตามรู้สภาวะไปทํากรรมฐานอันหนึ่งก่อนอะไรก็ได้ที่คุ้นเคยที่ทําแล้วสบายใจทํากรรมฐานอันนั้นแหละจะทําไปแล้วก็คอยสังเกตใจไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้เนี่ยจําประโยคเหล่านี้ไว้นะมีไม่กี่ประโยคหรอกกว่าหลวงพ่อจะสรุปออกมาได้นี่นะฟางดายนะเวลามาแจกพวกเรานี่แจกฟรีแจกง่ายๆ แจกจนไม่มีคุณค่าเลยความจริงต้องหลอกให้ทรมานให้หนักๆนะถึงจะเห็นคุณค่าของธรรมะอย่างพิตินาถเนี่ยิตินาถ น, นพัทลุงไปเดินจงกรมมาเจ็ดสิบกว่าคอร์สนะได้รับความทุกข์ทรมานมากแล้วก็โอ้ไม่เห็นมันบรรลุสัทีเลยสักกินนิดเดียวก็ยอมละเพราะอะไรเพราะมันมันทนไม่ไหวละทุกข์มานานมีคุณป้าคนหนึ่งนะมาจากเชียงใหม่ มาบอกว่าเนี่ยสมพานไล่ออกมาจากวัดก็เกิดไปถามอาจารย์เข้าท่านพยากรณ์ดิฉันว่าเป็นพระรหันต์มาตั้งห้ารอบแล้วดิฉันก็ยังโมโหเหมือนเดิมอ่ะสงสัยว่าไม่ใช่มั้ง <c oughs> สมผานเลยไล่ออกมาจากวัด <c oughs> แกลงมาหาแม่ชีอีกท่านหนึ่งอยู่ที่กาแพงเพชรไปบอกคุณยายสงสัยว่าดิฉันจะถูกหลอกมาสี่สิบกว่าปีแล้วแม่ชีมองหน้า ค่าถูกหลอกหกสิบปีแล้วเพราะสติที่ไปบังคับมันให้เกิดนะมันใช้ไม่ได้มไม่ใช่ของจริงนะ <Yeah. S 1> ค่อยๆฟังนะฟังหลวงพ่อค่อยๆฟังไปค่อยๆดูค่อยๆสังเกตฟังรอบแรกไม่รู้เรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดนะฟังหลวงพ่อปกติเขาฟังกันสามครั้งต้องมีทุติยำปีตัดตียำปีนะฟังได้สักสามรอบนี้พอรู้เรื่องลนะ แต่ถ้าคนไหนคิดมากนะไม่รู้เรื่องคิดมากยากนานถ้าไม่ต้องคิดมากคอยหัดสังเกตไปนะใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวหลงไปทางตาเดี๋ยวหลงไปทางหูเดี๋ยวหลงไปคิดนะสังเกตไปใช่เดี๋ยวก็เป็นง่ายอจะตายไปง่ายไม่อง่ถามคนอื่นบ้างก็ได้นะใช่ไมแอสตันส <laughs> ติมันเกิดเองบุญทวีเป็นไง รู้สึกไั้ยังบังคับตัวเองอยู่ยังบังคับนะเธอวีรู้ไปอะไรนะทราบเท่าที่ทาบได้ทราบบ่อยๆน่ก็แล้วกันเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่ออนุญาตให้โลภปลดหลงได้นะจะโลภกลดหลงก็ได้อนุญาตแต่ต้องรู้ไวๆมีเงื่อนไขนะรู้ให้ไวหน่อยก็แล้วกันทำไมบอกโลภปลดหลงก็ได้เพราะเราห้ามไม่ได้ ใจจะโลภห้ามไม่ได้ใจจะโกรธห้ามไม่ได้ใจจะหลงก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยไม่ได้ห้ามเพราะว่ามันห้ามเป็นคําห้ามที่ผิดธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราโลบโกรธหลงขึ้นมารู้ไวๆนะรู้ไวๆโกรธแล้วก็รู้ไวพอโกรธปุ๊บเดินไปสามเก้ารู้สึกเอออย่างนี้ก็ยังดีใช้ได้เห็นไหมเผลออีกแล้วเปลออีกแล้วเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดพอหลวงพ่อพูดแล้วดีใจโอ้ขำขำขำ เลยลืมไปเลยนะไปดูนะไปดูดูเรื่อยๆดีละรู้สึกไหมใจเราผ่องใสขึ้นเนี่ยทำถูกมอทำถูกนะใจสว่างผ่องใสมองออกไหมดูเด็กม่าเดิมดูออกไหมถ้าเกิดความรู้สึกตัวนะจะดูอ่อนเยาวนะ์จะดูเด็กปว่าเดิมถ้าคนหลงคนลืมตัวเองนะจะดูแก่งากเลยนะ อายุน้อยก็ดูแก่มากเพราะงั้นเวลาคนไหนปฏิบัติจนจิตใจตื่นขึ้นมานะหน้าตาจะเบิกบานแจ่มใสนะของใสเขาเรียกว่าใช้แป้งตราภาวนานะไม่ต้องเสียงเงินซื้อแต่ต้องลงมือทำนะลงมือดูเอารับรองสวยไม่สางยิ่งแก่ยิ่งสวยในขณะที่คนทั่วไปที่ไม่ปฏิบัติยิ่งแก่ยิ่งหน้าเกลียดไม่ใช่ว่าหน้าตาน่าเกลียดนะ ความประพฤติน่าเกลียดคนยิ่งแก่ยิ่งน่าเกลียดเคยได้ยินไหมคําว่าเท่าหัวงูเงี้ยเห็นไหมทำไมหนุ่มๆไมห่หัวงูมาเท่าแล้วหัวงูเนี่ยตอนหนุ่มๆสะสมความเจ้าชู้เห็นไหมหรือยายแก่คนหนึ่งคนเรือกยายแก่ขี้บน่นเห็นไหมตอนสาวๆบ่นไม่เป็นเสะสมไปเรื่อยบน่บนมาละเล็กมาละน้อยนะแก่ๆบ่นเก่งเป็นยายแก่ขี้บน่นหรือว่าหงุญญ่นหงิดเก่งนโมโหง่าย ยิ่งแก่ยิ่งอารมณ์ร้ายขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้มันก็เรื่องธรรมดานะสัตวตุกู ล, ลิงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหลย<น>ะยิ่งแก่ยิ่งดุเน<ะ>ีเพราะอะไรเพราะว่ามันโอ้นี่กว่าจะขำใช้เวลานา น, นมีดีเลย์ไทม์นานมากเลยเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อเราก็สัตว์ตะกูลิงนะเป็นธรรมดานะยิ่งแก่ยิ่งแย่เพราะอะไรเพระพระพุทธเจ้าสอนธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำ เมื่อเราฝึกนะคนที่มาที่นี่ส่วนมากมาฝึกตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆนะหรืออย่างท่านในพนเกษียณแล้วแต่ท่านก็ฝึกมานานนะฝึกมานานตั้งแต่ท่านยังหนุ่มๆอ้ออนะคุณดําเกิงนี่นะอายุมากแต่ว่าชํานี้ชํานานนะหาคนภาวนาแข็งกับคุณดําเกิงก็ยากนะ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าแก่หลายคราม <c oughs> ไม่ใช่แก่กะโหลกกะลาเนี่ยค่อยๆเรียนไป วันหนึ่งเราจะเป็นแก่ลายครามลูกหลานแย่งกันลูกหลานแย่งอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นแต่คนไหนไม่ฝึกนะยิ่งแก่ยิ่งร้ายธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำเรื่อยๆฝึกไปเพื่อตัวเราเองนะเพื่อลูกเพื่อหลานเราด้วยอ้าวใครมีอะไรจะคุยเชิญมีเวลาอีกสักห้านาที วันนี้นะแปลกนะไล่ก็ไม่ไปนะโยมอะ่ะต้องไล่หลายรอบกว่าจะไปหือ <c oughs> ไม่ได้หรอกเออไม่มีทางอจิตเนี่ยมีธรรมชาตินี่เป็นกฎนะกฎธรรมชาติเลยจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว <c oughs> งั้นในขณะที่เห็นก็ไม่ได้ยินขณะที่ได้ยินก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยงั้นบางคนนะไม่ฉลาดนะบางคนไม่ฉลาด ไปร้านอาหารแทงๆด้วยอร่อยนะหรูหรามีนักร้องด้วยเนี่ยขาดทุนขณะที่ได้ยินนักร้องร้องนี่นะตักข้าวใส่ปากไม่รู้รสขาดทุนนะไม่ได้กินของอร่อยขณะที่รู้รสแหมกินอร่อยเพลินนักร้องร้องอะไรไม่ได้ฟังขาดทุนนะไหมเราซื้อเพื่อบริโภคสองอย่างแต่บริโภคได้อย่างเดียวอย่างนี้ไม่ฉลาด มันจะแยกใจมันจะตั้งตั้งมั่นอยู่ต่างหากเห็นร่างกายเคลื่นไหวยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะแต่เวลาที่เราใจมันไปหมายในรูปที่ยืนเดินนั่งนอนมันก็ไม่หมายตัวผู้ดูเวลามันมาหมายรู้ตัวผู้ดูมันก็ไม่ไปดูรูปยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เห็นมันจะเห็นรู้สึกว่านี่เป็นแบ็คกราวด์อยู่เท่านั้นไม่ไม่โฟกัสอ่าอย่าโฟกัสเยอะนะจะกลายเป็นเพ่ง สงสัยมากไห ม, มไม่ต้องถามแล้วเอาคำถามกว้างลงถังขยะไปสงสัยให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อต้องใจถึงนะเราไม่ได้เรียนเอาความฉลาดเราเรียนเพื่อจะให้รู้ทันตัวเองหลวงพ่อพูดมาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันไม่ใช่เพื่อให้พวกเรารู้ธรรมะนะแต่เพื่อให้พวกเราอ่านใจตัวเองออก รู้กายรู้ใจของตัวเองได้แล้วเราก็ไปปฏิบัติเอาเอาหนุ่มเสื้อเหลืองแล้วนะ่ะใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเบอร์อะไรจ่ะเพื่อนบังไว้มองไม่เห็นเออเบอร์สิบเก้าอายุหรือหรืออะไรอกลัว <c oughs> อะไรนะเอออ้าวจิตมันจะกลัวห้ามมันไม่ได้ ให้หัดจเจริญสติไว้ทีแรกอย่าไปหัดในที่ที่มืดมืดแคบแคบนะหัดที่กว้างกว้างสว่างสว่างก่อนนะหัดไปให้สบายใจนะหัดดูอย่างเห็นหน้าคนนี้ดีใจเห็นหน้าคนนี้ไม่ชอบใจนะเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวเนี่ยหัดดูอย่างนี้ก่อนนะต่อไปพอเข้าที่มืดมืดแคบแคบแล้วมันดูได้พอความกลัวเกิดขึ้นมันมองปับ๊บขาดเลยขาดไม่ใช่ขาดสตินะ อความกลัวขาดไปเลยไม่ใช่เดี๋ยวหลวงพ่อพูดต้องระมัดระวังเพ <c oughs> ราะสติตัวจริงไม่เกิดรัศดีตัวจริงยังไม่เกิดยกตัวอย่างถ้าเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราะคนทั่วไปพอโดนปาดเนี่ยจะไปมองไอ้คนที่มาปาดเราใช่ไหมหาทางแก้แค้นนักปฏิบัติพอโดนเขาปาดใจมันโกรธเห็นความโกรธเนี่ยถ้าเห็นความโกรธถูกต้องนะความโกรธจะดับแต่นักปฏิบัติบางคนไม่ถูกต้อง พอเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะไม่ชอบมันอยากให้มันหายไปนี่เรากําลังมีความโกรธตัวที่สองซ้อนอยู่แล้วละมัวจะเป็นต่อสู้ความโกรธตัวแรกเราไม่รู้หรอกว่าความโกรธตัวที่สองได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นดูยังไงสติก็ไม่เกิดหรอกต้องรู้ทันใจของเราให้ดีถ้ารู้ทันนะรับรองนะสติเกิดเมื่อไหร่กิเลส ด, ดับเมื่อ น, นั้นงั้นไม่ต้องหาทางล้างกิเลสหรอก ฝึกรู้สภาวะธรรมไปเรื่อยๆโลภโกรธหลงอะไรหารู้จักไปเรื่อยนะเดี๋ยวสติเกิดกิเลสมันดับเองเออไม่รู้ตัวหเอ่านึกว่าตื่นแล้วก็ลุ้ไปทำความเพียรเ <c oughs> <c oughs> หนื่แล้วลับไหมฝ <c oughs> ึกตั้งแต่ตอนยังไม่นอน <c oughs> อย่าไปฝึกตอนนอนฝึกตอนอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ย เดี๋ยวปัญหาเนี้ยไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าคืนไปเจริญสติตอนนอนนะั้นมันจะไม่หลับหรือมันจะตื่นทั้งคืนเดี๋ยวกลุ้มใจต้องมาถามหลวงพ่ออีกว่าดูแล้วไม่ยอมหลับจะแก้ยังไงตอนนั้นปล่อยมันไปก่อนแต่ว่าฝึกตอนตอนตื่นตื่นเนี้ยเอาให้เยอะไปก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลานอนเนี้ยนะจิตมันจะปล่อยแล้วก็หลับอย่างรวดเร็วเลยมันสมควร น, นอนละเหมือนมันปิดสวิตตัวมันเองแต่ถ้าเราพยายามไปฝืนฝึกดูตอนนอนเนี่ยนะ เดี๋ยวจะเป็นโรคนอนไม่หลับไปเดี๋ยวจะกลุ้มใจคือถ้าสติเกิดนะเดี๋ยวมันก็ไม่นอนเลยแต่ว่าถ้าเราฝึกจนชำนิชำนาญ น, นะเราจะหลับไปพร้อมกับความมีสติตรงนี้ถ้าถ้าจะฝึกชานนะจะทำได้อย่างคุณดำเกิงเนี่ยจะดูจนเป็น ค, ค, ค, คล้ายๆหลีหีแล้ว ล, ล, ล, ลงผวังเนยะตามรู้ลงไปได้ตลอดสายเลยทำยากทายากนะฝึกตอนตื่นก่อน ตรงนั้นยากก็ยังดีก็ยังดีว่าตื่นมาสักพักหนึ่งแล้วรู้ว่าตื่นในความเป็นจริงคนในโลกนี้ไม่เคยตื่นเลยตื่นแต่ร่างกายใจหลับใจฝันตลอดเวลาตอนนี้กำลังฝันอยู่รู้เปล่าไม่ฝันทั้งวันอะ่ะไม่ตื่นหรอกอยวไปกลัวอะไรเรื่องตื่นไม่ตื่นเ่ะไม่ตื่นหรอกนะจิตไม่เคยหยุดคิดเพราะจิตมีหน้าที่คิด จิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดะไม่ได้ไปฝึกให้เขาคิดนะแต่ว่าพอคิดแล้วเนี่ยจิตเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างตรงนี้มีหน้าที่รู้ทันอย่าไปสอนลูกให้ไม่คิดนะเดี๋ยวโง่าตายเลยนะ <c oughs> อย่างนั้นสอนจิตนะสอนให้ไม่คิดอ่ะอ่ะวันนี้